ข้าพเจ้าได้อยู่ในเรือนท่านตลอดสามวันทั้งเป็นผู้ที่ท่านบำรุงด้วยข้าวและน้ำท่านเป็นมิตรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปล่อยท่านข่าแต่ท่านผู้มีปัญญาอันสูงสุดเชิญท่านกลับไปเรือนของท่านตามปรารถนาเถิดความต้องการของตระกูลพญานาคจะเสื่อมไปก็ตา่างทีเหตุที่จะให้ได้นางนาคกัญญาข้าพเจ้าขอยกเลิก ข้าแต่ท่านผู้มีปัญญาเพราะคำสุภาษิตของตนนั่นแหลท่านจึงพ้นจากข้าพเจ้าผู้จะฆ่าท่านในวันนี้มิตรระบันดิตกล่าวว่าแม่ปุนกะยักษ์เชิญท่านนำข้าพเจ้าไปในสำนักของพ่อตาของท่านจงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็อยากเห็นท้าววรุณผู้เป็นอธิบดีของนาคและวิมานของท้าวเธอ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็นบุรนกะยักกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ควรจะดูสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกนรชนนั้นเลยข้าแต่ท่านผู้มีปัญญาอันสูงสุดเออก็เพราะเหตุอะไรหนาท่านจึงปรารถนาจะไปยังที่อยู่ของศัตรูเล่ามิตุระบันดิตกล่าววา่าแม้ข้าพเจ้าก็รู้ชัด ถึงสิ่งที่ผู้มีปัญญาไม่ควรเห็นแต่ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่กระทำไว้ในที่ไหนไหนเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่รังเกียจต่อความตายอันจะมาถึงตนพุณกะยักษ์กล่าวว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตเชิญเถิดท่านกับข้าพเจ้ามาไปดูพิภพของนาคราชซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบนิได้ เป็นสถานที่อยู่อันมีการฟ้อนราขับร้องตามปรารถนาเหมือนนิลินยราชธานีอันเป็นที่ประทับอยู่ของท้าวเวสวร์ชนั้นนาคพิภพนั้นเป็นที่ไปเที่ยวเล่นเป็นหมู่หมู่ของนางนาคกัญญาตลอดวันและคืนเป็นนิดมีดอกไม้ดารดาดอยู่มากมายหลายชนิดสว่างสวัยดังสายฟ้าในอากาศบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้า เพียรพร้อมด้วยการฟ้อนราขับร้องและการประโคมพร้อมมูลไปด้วยนางนาคกัญญาที่ประดับประดาสวยงามงามสง่าไปด้วยผ้านุ่งผ้าห่มและเครื่องประดับบุญ ก, กะยักษ์นั้นเชิญให้วิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตนั่งเหนืออาสนะข้างหลัง ได้พาวิทุระบันดิตผู้มีปัญญาไม่สามเข้าไปสู่พบของนาคราชวิทุระบันดิตได้สถิตอยู่ข้างหลังแห่งปุ น, นกะยักษ์จนถึงพิภพของพญานาคซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบไม่ได้ก็พญานาคหวังความสามัคคีจึงได้ตรัสทักทายปราศัยกะลูกเขยก่อนทีเดียวท้าวรุณตรัสว่า ท่านได้ไปยังมนุษยโลกเที่ยวสแสวงหาดวงหัไทยของบัณฑิตกลับมาถึงในหน้าพิภพนี้ด้วยความสําเร็จหรือหรือว่าท่านได้พาเอาบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ตำสามมาด้วยปุญญ ก, กะยักษ์ทูลว่าท่านผู้นี้แหละคือวิทุระบัณฑิตผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนานั้นมาแล้วพระเจ้าค่าวิทุระบัณฑิตผู้รักษาธรรม ข้าพระองค์ได้มาแล้วโดยธรรมเชิญพระองค์ทอดพระเนตรวิธุระบันดิตผู้จะแสดงธรรมถวายด้วยเสียงอันไพเราะเฉพาะพระพักหนบัดนี้การสมาคมด้วยสัตบุรุษทั้งหลายย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้โดยแท้การคิรีกันจบ